พระธรรมเทศนาแผ่นที่50ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่30ตุลาคม2555วันออกพรรษามีชื่อเรื่องว่าพญานาคมีจริงไหม วันนี้เป็นวันออกพรรษาตรงกับวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2555เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาพวกเราก็ได้มากราบไหว้พระสมาทานศิลป์บางท่านก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธาน พระพุทธอุรมงคลพระประธานวัดป่านาคำน้อยของเราเพื่อตั้งจิตเทวฐานว่าข้าเป็เจ้าจะรักษาอุโบสถตลอดไตรมาสสามเดือนหรือทุกวันพระหรือรักษาศีลห้าหรือจะงดอบายจมุกหรือจะไหว้พระทุกวันหรือจะใส่บาตรทำบุญทุกวันเหล่านี้เป็นต้นแต่บัดนี้ได้ผ่านมาแล้วเมื่อเรา ได้ทําด้วยตั้งจิตอธิษฐานอย่างที่พวกเราได้ตั้งใจเอาไว้พวกเราก็ควรจะรับไข่ไข่กบว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญสมบูรณ์บริบูรณ์หรือว่าขาดตกบกพ่องน้อยที่สุดที่เราได้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ด้วยบุญด้วยกุศลที่ได้ข้าพเจ้าได้ตั้งจิตอธิษฐาน ในบำเพ็ญมาตลอดไรมาตสามเรือนขอบุญกุศลที่ได้ทานี้จงบรรลดานให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญคือให้พวกเราตั้งจิตอธิษฐานสรุปแล้วก็คือเมื่อเราทําคุณงามความดีแล้วพวกเราก็ควรจะขอพรนะคือขอพรจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอ้เ น, นี้คือความถูกต้อง ไม่ใช่ว่าปลูกปรับไปไปยังไม่ได้ทําคุณงามความดีเลยม่จะไปขอพรดะไปเรื่อยแล้วพรนั้นจะประสิทธิ์ประสาทให้กับพวกเราได้อย่างไรแต่ถ้าว่าพวกเราทําคุณงามความดีซะก่อนเราจึงขอพร น, <แ>นี่และพรจึงประสิทธิ์ประสานให้แก่พวกเราพวกเราก็จะประสบแต่ความสุขความเจริญทางทางธรรมและทางโลก แล้วก็ปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในกรอบจะสมความมุ่งมา่นปรารถนาได้กอความปรารถนานั้นก็จะสาเร็จสมความมุ่งมาตร ป, ปรารถนาเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่ได้สั่งสมคุณงามความดีตลอดไตรมาสสามเดือนนี้หลวงพ่อว่าพวกเราก็ควรจะขอพรคุณงามความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคงจะประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่พวกเรา พวกเราจะประสบสำเร็จสมความมุ่งมาตนปรารถนาแล้ก็วันนี้เป็นวันออกพรรษาปี 2,555 ถ้าจะว่าไปแล้วก็พวกเราสั่งสมคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิบัติจิตภาวนาแปลว่าครอบยกถ้าเป็นนักมวยเขาบอกครอบยกปีนี้ กลับคืนหลังอีกไม่ได้มีแต่ไป2556ันห้ยปีนี้าปีหน้าก็ห้าจะกลับมาให้เป็น55อย่างเกา่าเป็นไปไม่ได้มันก็เหมือนกับน้ำมันไหลลงไปไปเรื่อยๆนี้ก็เหมือนกันวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปพวกเราประกอบคุณงามความดีก็อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมคุณงามความดีไปเรื่อยๆ ถึงออกพรรษาแล้วเออแต่ว่ากิเลสภายในใจของเรายัางไม่ออกเราก็ควรจะหาโอกาสหาเว ล, เวลาบําเพ็ญของเราอยู่ในบ้านในเรือนก็พยายามสั่งสมคุณงามความดีแล้วก็เมื่อมีโอกาสถ้าเราให้รู้ว่าถ้าเราอยู่ที่ไหนดูดูแล้วจิตใจของเรามันลิบหลีไปเรื่อยๆ มันเกลเไปด้วยความโลภความโกรธความหลงหรือว่าราคะโทสะโมหะครอบงาใจของเรามีแต่ความละทมทุกข์ในจิตในใจอันนั้นพวกเราคนจะหาวิธีหาวิธีปลีกตัว อ, ออกไปชาร์จแบตเตอรี่าตามวัดวาศาสานาหรือครูบาอาจารย์ที่เรารักเคารพนับถือที่เป็นแบบฉบับหรือเป็นตัวอย่าง หรือว่าเป็นผู้จะแนะนำสั่งสอนตัวของเราได้นะหลวงพ่อเองก็ไม่ใช่ว่าจะแนะนำให้มาวัดนาคำน้อยของหลวงพ่อแห่งเดียวไม่ใช่นะพวกเรารักเคารพในครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะเป็นตัวอย่างรืว่เป็นแบบฉบับของเราได้เราก็เข้าไปฟังแล้วก็ปฏิบัติรำอยู่ในโอวาทของท่านแล้วก็บาเพ็ญทานศีลภาวนาเพื่อขัดเกลกิเลสภายในจิตใจของเรา ต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปสู่วัดว า, า, สาสัณฐาเสียเลยหลวงพ่อว่ากิเลส ต, ตัวนี้นะมันจะเกล็ดนะเหมอมันเป็นสนิมนะมันจะพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆเผลอๆมันอาจจะไม่เชื่อบาปเชื่อบุญอีกต่างหากอเพราะนั้นน้อยถ้าว่าพวกเราพยายามสั่งสมคุณงามความดีเรื่อยๆพวกเราจะประสบความสุขในทางด้านจิตใจ ในช่วงนี้วันนี้ในวันนี้เป็นวันออกพรรษาเนี่ยหลวงพ่อเห็นคณะศรัทธา ญ, ญาติโยมมาที่วัดของหลวงพ่อหลายหมู่หลายคณะหลายกลุ่มฮะแต่บางกลุ่มก็ไม่เคยมาแต่บางกลุ่มก็มาแล้วก็ถามดูว่าไปยังไงมายังไงฮะบางกลุ่มก็บอกว่ามาดูบั้งไฟพญายนะ ก็ได้เห็นหลายกลุ่มที่มาดูปังไฟพญายนาควันออกพรรษาแต่บางคนก็ถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเคยเห็นไหมปั้งไฟพญายนาคพ่หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ไม่เคยไปเพราะว่ามันคนมันเยอะแยะถ้าเขาไปแล้วก็ไปเบียดเสียดกับคราวาสญาติโยมหญิงชายไม่ดีพระไม่จำเป็นจะไปดูทาไม หลวงพ่อก็เลยพูดว่าบังไฟพญานาคบังไฟไม่พัฒนาไม่เหมือนบังไฟญี่ปุ่นถ้าบังไฟญี่ปุ่นเนี่ยเขาจุดขึ้นมาตุม่มขึ้นมาแตกเป็นดอกเป็นดวงฮะบังไฟพญานาคถ้าจุดขึ้นมาเลยแต่มีแต่แสงเหลืองเหลืองแดงแดงเรือเรือฮขึ้นมาฟุดขึ้นมาจากน้ำํำเท่านั้นเองอันนี้ก็จะเป็นอะไรก็ไม่ทราบ แต่บางคนเขาก็ว่าเป็นแก๊สเป็นก๊าซคือมาจากน้ำํำแต่บางคนเขาว่าบางคนเพอเพ้อมากกว่า น, นั้นบอกมีคนลงไปมุดอยู่ในน้ําแล้วก็จุดบ้างไฟขึ้นมาอย่างนั้นก็มีแต่ตามไม่จริงเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะเขาเห็นมาตั้งแต่ดึกตําบันตั้งแต่โบ ร, มโมราณเก่าแก่มาแล้วนะจะไม่หลงปู่เทศท่านยังทงทรงธาตุขันอยู่ท่านอยู่กุฏิของท่าน อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงท่านก็เห็นมันแสงมันขึ้นมาจากแม่น้ำมันขึ้นมาประมาณเม็ดเนี่ยมันก็ฟดขึ้นไปปนทองฟ้าประมาณชั่วลำตาลนึงแ่ะประมาณนี้แหละโดยมากท่านก็บอกว่าเออไม่จะไปพูดนะถ้าพูดเดี๋ยวก็จะหาว่าพระเห็นนู่นเห็นนีงน่งมงายแต่โดยมากจะเห็นเห็นวันสาคัญ อย่างวันวิสาขบูชาหรือวันมาฆบูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันออกพรรษานี่แหละถ้าว่าวันออกพรรษาถ้าตรงกับพรรษาเมืองลาวนะถ้าออกพรรษาเมืองเราวันนั้นจะเยอะนะแต่ถ้าวันออกพรรษาไม่ตรงกันจะออกพรรษาไม่ตรงกันจะออกพรรษาลาววันออกพรรษาลาวจะมากกว่าโดยมากพรรษาลาวจะออกทีหลัง ที่หลังพรรษาไทยแต่ปีนี้ทราวบาว่าเป็นวันเดียวกันนะหลวงพ่อเอ้พญานาคเลยสงสัยเป็นพญานาคเมืองลาวใช่ไามจึงเห็นเออจึงสนับสนุนวันออกพรรษาเมืองลาวเนา ะ, ะแต่นี้ถ้าว่าพูดไปเป็นไปได้ไหมในหลักของพุทธศาสนาท่านก็ไม่ปฏิเสธนะเรื่องพญานาคไม่ไม่ปฏิเสธ ครุดคุดนาคภูมะลุขะเทวดาและก็เทวดาชั้นต่างๆตลอดถึงพรมอันนี้ในหลักของพุทธศาสนาท่านยืนยันในพระไตรปิฎกท่านก็พูดอย่างพวกเราเห็นสัตว์ที่รษานอย่างเนี้ยสัตวิทรษานมีนานาชนิดมีนานาพันธ์บางชนิดก็กินสัตว์กินสัตว์บางชนิดก็กิกนไม้กิน หญ้ า, า, าบางสัตวชนิดก็กินทั้งหญ้าทั้งใบไม้กินทั้งสัตว์ด้วยฮะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นอันนี้ก็คือสัตว์ตวโลกที่มองฮะที่มองเห็นเทวาสัตว์ทีิทรักฉันแต่ที่มองเรามองไม่เห็นเรียกว่าภูมมะภูมมะเทวดาเป็นเทวดาอยู่ในภูมิที่จอมปวกปั้งที่เงื่อนผาบั้งที่ภูผาป่าไม้น่ภูมมะเทวดา ลุกทะเทวดาก็คือเทวดาอยู่ตามต้นไม้ถิ่สิงสถิตอยู่ต้นไม้ยึดต้นไม้เป็นที่อยู่อันนี้เรียกว่าลุกขะเทวดาอากาศธาตุเทวดาเทวดาอยู่ในที่ว่างในอากาศแล้วก็ชวันชั้นจาตุมกับเป็นชวันชั้นหนึ่งจั้นนั้นกับาสันยันชัญนามาตาวติงตาวติงยามาตุสิตา นิมมาราตตีปริณิมวิสวรตีอันนี้ก็คือชั้นสวรรค์แต่ละชั้นก็แตกแตกต่างกันในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าพญานาค ม, ม, มี่ยมีไหมนี่กัพญานาคที่ท่านบอกว่าท่านเป็นประเภทประเภทตระกูลตระกูลงูนะเป็นสัตว์ทิตาฉานเป็นตระกูลงูแต่ในครั้งพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธการท่านก็บัญญัต เพราะพระพุทธเจ้าประกาศพระพุทธศาสนาพอประกาศพระพุทธศาสนาแล้วคนก็ออกบวชมากแต่ในพวกพญานาคนี่ก็เทพพญานาคทั้งหลายเนี่ยเขาก็เคารพนับถือนับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็อยากบวชเพราะอยากบวชก็จำแรง พวกหน้าจะจำแรงจำแรงได้นะจำแรงตัวนะจำแรงเป็นมนุษย์จะจำแรงเป็นอะไรก็ได้จะเป็นมนุษย์พอจำแรงเสร็จแล้วก็มาขอบวชขอบวชในพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนธรรมดาท่านก็ให้ท่องเอสาหังอะไรท่านก็บวชให้แทบบวชให้ถ้าก็เป็นภิกษุเหมือนกับพระภิกษุทั้งหลายนะอยู่ในวัด ป่าเชตตะวันแต่ว่าพญานาคเนี่ยตามหลักสูตรแล้วเนี่ยเขาว่าในพระไตรปิฎกท่านท่านบอกไว้นะท่านว่าพญานาคเนี่ยถ้าว่านอนหลับพญานาคนอ น, นจะกลายเป็นงูทันทีคือว่ารูปร่างตัวเองเนี่ยคลายคลายฤทธิ์ทันทีเพราะมันขาดเติมันคลายฤทธิ เป็นงูทันทีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีเพศสัมพันธ์อันนี้ก็คายออกจากเล็ดทันทีอันนี้คื อ, คอพญานาคนะอันนี้ท่านพูดนะไว้ในพระไตรปิฎกนะท่านี้มีพระองค์นะั้นที่ปวดเป็นนาที่นาคบวดนะท่นี้ก็พระองค์นั้นก็เหมือนกับพระองค์อื่นๆทั่วๆไปวันหนึ่งพระทั้งหลายกําลังตัดเย็บผ้าเล กำลังทำงานกันชุกโลหกเหตุเพระองค์นี้ก็เข้าไปในห้องพอเข้าไปห้องแล้วก็ไปนั่งพิงฝาเลยแต่ว่านากนี่มันชอบหลับนะอย่างงูเหลือมน่ยมันชอบนอนนะนากร้อนก็ไปนอนไปฟิงพิงฝาเพอพิงฝานากหลับท่นี่เหตพระนาคพอหลับไปท่นี่เป็นงูเต็มห้องเลยงูใหญ่ใหท่านี่พระ ทำการทำงานเสร็จแล้วก็เปิดประตูเข้าไปพอเปิดประตูเข้าไปไปเห็นนาคไปเห็นงูเต็มห้องเร้ อ, องเลอออกมาแล้วงันน่ะว่างูเห็นงูอยู่ในห้องงูใหญ่ฮงแต่ทีก็พระสงฆ์หลาดเกศที่ไหนก็เตรียมตัวค่อยๆเปิดเข้าไปเห็นเจ้พระองค์นั้นนั่งจุก ป, ปุกอยู่ในห้องฮะนั่งจุก ป, ปุกอยู่ในห้องแต่ทีก็ถามว่อาอ้า ท่านเห็นงูไหมฮะองนั้นก็บอกว่าผมผมเนี่ยแล้วเป็นงูอา้าวทาไมท่านเป็นงูทําไมท่านเป็นพระบอกว่าผมเป็นนาคเนี่ยมันโกหกไม่ได้นะแอบเป็นพระแล้วก็เป็นเนี่ยผมเป็นนาคครับผมเลื่มใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าผมก็เลยขอบวชแลังจากนั้นพระสงฆ์ก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าว่าเนี้ เป็นนาคไปบวชได้ไหมพระพุทธเจ้าก็บอกอืมในศาสนาของเราตถาคตนี่สัตว์ทีรไรชาเนี่บวชไม่ได้เทวดาอินพรหมบวชไม่ได้ทั้งนั้นจะบวชได้ก็คือมนุษย์อย่างเดียวเ อ, อถ้าเป็นมนุษย์นะ่ะบวชได้ในศาสตร์ของศาสนาของเราตถาคตเพราะนั้นจะเป็นสัตว์ที่ไราชาที่เป็นเทวดาอะไรก็ตามบวชไม่ได้ไม่อนรญาตให้บวชนะ นี่แหละจากนั้นนาตอนนั้นก็เลยขอขอลาสิกขาเพราะบวชไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตแต่ในตาราท่านก็บอกว่าถึงข้าพระองค์บวชไม่ได้ในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ข้าพระเจ้าก็ยังรักเคารพนับถือเลื่อมใสในพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าขอฝากชื่อไว้ในพระพุทธศาสนาด้วยเถินจากนั้นมาก็เลยบวชคน บวชพระบวชเนยเขาบอกบวชนากบวชนาะก เ, เพราะนาคฝากไว้ฝากชื่อเสียงเอาไว้ในภพกุทธศาสนาอันนี้ก็คือตำรับตำราส่วนหนึ่งท่านพูดไว้ในพระไตรปิฎกนะอันนี้หลวงพ่อพูดตามตำรับตำราให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแต่ทีนี้เรื่องพญานาคเนี่ยหลวงพ่อก็เคยได้ศึกษามีมากนะในพระไตรปิฎกนะ ในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชาดกนะในชาดกนี่มีมากมีเรื่องต่างๆแต่หลวงพ่อจะยกขึ้นมาเรื่องหนึ่งให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังคือสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นคุธแล้วก็คนหนึ่งเป็นนาค พระเทวทัศนเนี่ยเป็นลือศีอยู่ในป่าแต่ในพญานาคเนี่ยเขเข้ามาหาลือศีเข้ามาหาไปคลายว่าพวกนี้เป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นธรรมเห็นสมณะหรือเป็นลือีชีภัยอยู่ในป่าเป็นผู้บําเพ็ญตระปะอยู่ในป่าก็เข้ามากราบมาไหว้มาเคารพสักการะบูชาเปถือว่าเป็นผู้ทรงศีล พญานาคจะจำแรงจำแรงตัวเข้ามาเขามากลาบับมากราบปื้ีเป็นประจำแต่ลวันหนึ่งพญาคดก็จะเข้ามากราบปื้ีเหมือนกันแต่จำแรงตัวเองเป็นเป็นมนุษย์เหมือนกันออพอจำแรงเป็นมนุษย์แล้วจะมากราบปื้อศีแต่ นาค ก, กับคุดมันเห็นกันในะรู้เลยนะถึงจะเป็นมนุษย์ด้วยกันก็แต่พอเห็นปุ๊บนาคเนกลัวคุดอย่างมากเลยพอเห็นปุ๊บจำแรงหลบหนีเลยแต่พยาคุดก็ทำท่ามองอก็เลยถามลือศีว่าที่ไปเมื่อกี้เนะี่ยมนุษย์อันนั้นเป็นใครลือศีก็บอกว่าเป็นนาคเป็นนาคจากนั้นก็ก็แล้วไปละ พอต่อมาอีกพอมาเจอกันอีกหน้าก็ลบหนีอีกแต่คุดเนี่ยก็เลยถามว่าถามฤสีว่าเอ๊ะท่านฤสีตะกอนเนี่ยพวกผมเนี่ยพญาคุเนี่ยไปจับพญานาคเนี่ยจับพญานาค ก, กินบ่อยๆคือโดยมากเเหมือนกับเดี่ยวกินงู ล, ลักษณะนี้นะเดี่ยวจับงูนะ มันจะจับที่คอเลยแอบมันโฉบลงไปก็จับคอแลยเหิ้วขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยจากนั้นก็ใช้จะงอยปากกัดคอเลยแล้วก็กินลำไส้ของงูเลยอันนี้พวกผู้เท่าพูกแก่นี่ยพวกตู่ขานี่ก็คงจะเคยเห็นหลุงพ่อก็เคยเห็นเหมือนกันนะไอ้พวกเหี่ยวตัวใหญ่ๆนี่ยกินงูไม่ใช่กินงูตัวเล็กนะกินงูใหญ่พอสมควรนะ ยาวเกือบเป็นเม็ดสองเป็นเกือบเป็นเม็ดนะนะมันขยุมขึ้นไปท้องฟ้านะจากนั้นก็งูอย่างดิ้นหนาวหนาอยู่นะหลวงพ่อก็เคยเห็นอันนี้แหละอันนี้ก็คือคดเนี่ยก็คือตระกูลของอของเหยี่ยว น, ะนาค ก, ก็คือตระกูลของงูฮนะ เ, เป็นเป็นตระกูลนะแต่ใ้งูคดตอนน้มันก็ เ, เห็นเห็นนาคไงนาคก็หลบหนีฮนะ พอต่อมาทจนี้ก็พญาคดเลยถามฤาษีว่าเอ๊ะพวกผมตะกอนเนี่ยอจับพญานาค ก, กินเนี่ยกินได้ง่ายๆแต่ทุกวันนี้พอจับพญานาคขึ้นมาโดยมากคดพวกคดจะตายมันหนีไม่พ้นน้าพอขยุ่มขึ้นมาแล้วน้ํามันท่วมมานะ่ยน้ํามันท่วมมา คดเนี่ตายไปมากต่อมากไม่เหมือนตะกอดมันมีเทคนิคอะไรตะกอดมันไม่เหมือนอย่างนี้นะลือสีก็เลยถามมันเป็นยังไงคือพญานาคบอกไอ้คดบอกว่านาคไปอยู่ใต้บาดาล อ, อยู่ในพื้นท้องพื้นมหาสมุทรจากนั้นพญาคดเนี่ยมันจะจับพญานาคมันจะกระพือปีกมนะันเหมือนกระเจียวมันกระพือปีกน้ําทะเลมันแวกออก พอมันแหวบออกทีนี้เนี่ยอพญานาคมันก็ไม่มีที่ไปเลยมันก็ชูคอสู้เลยสู้คอสู้กัแต่ก่อนจับลากคอขึ้นมาบินขึ้นมาบนท้องฟ้าอลไรกันเอามากินได้แต่พอต่อมาเนี่ยพอไปจับคอนาคลากขึ้นมามันลากไม่ขึ้นเออมันแน่นมันหนักะผลที่สุดกําลังดากาินน้าก็ไหลพบเข้ามาโดยมาก โคดโคดก็ตายตายเพราะว่าน้ำท่วมในขณะที่ดึงลากนาคขึ้นมาไม่พ้นไม่พ้นน้ำมันเป็นเพราะอะไรขอให้พลื้ีเนีถามนาคดูสิว่ามันเป็นยังไงทางพลือ้อีนีก็เออพอต่อมานาค ก, ก็เข้าม้าบัดก็มาพลือสีก็เลยเรียบเรียบเคียงเคียงถามนลยเอ พญาคุดเขาว่าเขาจับนาคตระกอนจับได้ง่ายแต่บัด น, นี้ทําไมจับไม่ได้พญานาคกดยินดังนั้นโมโหขึ้นมาเลยเออจะมาถามผมทําไมอันนี้เป็นเรื่องคอขาดปาใต้เรื่องของเรื่องของตระกูลไปบอกได้ยังไงเรื่องความลับท่านจะถามอีกนะต่อไปนี่นะออพอว่าดนั้นนาคก็หันหลังให้ไม่พูดกับลือศีเลยสแสดงความโกรธพอต่อมาอีก อันนนนี่ยไปหาฤาษีฤาษีก็ถามอีกฤาษีก็พยายามถามเหมือนกันถามพญานาคมันเป็นอะไรหลายครั้งต่อหลายหนฤาษีพญานาค ก, ก็อ่อนลงอ่อนลงถ้าหาว่าท่านอยากจะรู้ก็รู้ได้แต่ท่านห้ามพูดเด็ดขาดอันนี้เป็นความลับของของนาคของตระกูลถ้ า, าว่าใครรู้ความลับตัวนี้ขึ้นไปตาจิบหายทั้งโคตทั้งตระกูลเลย ท่านเนี่ยห้ามบอกเด็ดขาดนะทางพลุษีก็อา้าวข้าไปเจ้ารับจะไม่บอกความลับเมื่อ น, นาาบอกความลับไปแล้วจะไม่พูดให้แก่ไฟฟังโดยเด็ดขาดนะาทางหน้าก็เออถ้าว่าท่านต้องการถ้าว่าท่านรับเป็นมั่นเป็นเหมาะ อ, อย่างนี้แล้ะผมจะพูดให้ฟังผมจะเปิดความลับให้ฟังหน้าก็บอกว่าตะกอนเนี่ย พญาโุดเนี่ยพวกโคดเนี่ยลงไปแวกน้ำทะเลลงไปแล้วน้า ก, ก็ชูคอสู้เพราะไม่มีที่ไปแล้วเนี่ยหนา ก, ก็ลากขึ้นมาแต่ต่อมาเนี่ยพอนาครู้ว่าพญาคุดแวกบินแหวกน้ำ ม, มหาสมุทรพวกนาคทั้งหลายที่จะเป็นหัวหน้าที่จะสู้กับนกเน้ากลืนหินเข้าไปในท้องห น, นักเลยเหมือนกันท่ คดก็เลยตายเพราะ ห, ห i, อะไรพาหลากหนักไม่ขึ้นแต่ถ้าว่าคคดรู้จักวิธีวิธีกรรมนะอคดไม่ต้องจับคอนะจับผางเหมนจับผางลากขึนมาก้อนหินไหลออกทางปากกินเอาไปกินมดวหางนกันเอานาาพูดนะอันนี้คือความลับของตระกูลนะท่านห้ามพูดเด็ดขาดเอานานักบอกรือสีนะ พอต่อมาฤาษีก็ทราบแลยพอนฤาษีก็คงฤาษีปากบอลเหมือนันแต่ได้ยินเข้ามาแล้วก็อยากจะพูดให้ใครๆฟังนะ่ะพวกเองรู้ความลับของเขามันก็เหมือนกับบางคนนะ่ะบางคนรู้ความลับไม่ได้ไนดะ้พอ่อรู้ความลับของคนอื่นนะ่ยเออเหมือนมันปากคันมันปากบอลเหมือนกันนะอดทนทนไม่ไหวฮนะนี่แหละอันนี้คือฤาษีท่านนั้นก็พอได้ขึ้นมาไงเห็นพยาคุดมาไง มาก อ, อ่ะพยาคสมานนี่ยาโคต์ก็เข้าไปรู้ไหมที่ว่าพยาคตเนะี่ยไปจับพญานาคขึ้นมาเนะ่ยมันไม่พ้นน้ำนะํำพอไปจับคอมันมันเกินหินเข้าไปในท้อง อ, อต่อไปถ้าไปจับหางขึ้นมาได้นะ่ะก้อนหินมันก็จะไหลออกทางปากมันดึงขึ้นมาได้ง่ายเฮ้ะ อ, อย่างงั้นเหรอเออจากนั้นก็ไปลองเดี๋ยวนี้แล้วเอออจากนั้นพยาคตก็บินไปเลย บินไปก็ไปแหวกน้ําทะเลอย่างที่ว่านะพอพญานาคกรโชว์คอขึ้นมาทำท่าจะฉกะพญาคุดแต่ทั้งกลัวก็กลัวแหะท่นี่ยมันไม่มีที่ไปพญาคุเกิดโดดป๊บลงไปจับหางเลยลากขึ้นมาเลยพอลากขึ้นมาเลยก้อนเหินกันไหลออกจากปากพญานาคเท่เนี่ยพออยากนากขึ้นมาขึ้นมาท้องฟ้าเลยเท่ ทางพญานาคโอ้ตายข้าพระเจ้าบอกความลับให้แกฤาษีข้าพระเจ้าจิบหายใช่แล้วทางพญาคูตบอกเอ้ยนาคยาบนเป็นความโง่ของแกเองเอแกไปบอกความลับให้แกคนอื่นได้ยังไงความลับของตระกูลเนี่ยเธอจีบหายเพราะความเพราะตะแกบอกความลับ พญานาคโอ้ยถืออย่างไรก็ข อ, อชีวิตไว้โดยเธอพญาครุฑเลยเป็นความโง่ของข่าและข้าวนี่เออเอาถ้าอย่างนั้นกเ็เราให้อภัยต่อไปนะจะไป่าไปทําอีกนะครับถ้า ง, งั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาลือสีเดี๋ยวนี้แหละเพราะว่าลือสีเนี่ยผมบอกให้สัญญาแล้วว่าจะไม่พูดเอผมให้สัญ ท่านยาจะไม่พูดจะไม่เปิดความลับแต่นี่นมันเปิดความลับนผมจะไปฆ่าฤาษีเดียวนี้แหละพอว่าท่านพญาคุดก็ไม่ไปด้วยท่านเนยพญาคุดอยู่ข้างนอกพญานาขก็ไปไปตัวเดียวไปคนเดียวพอไปท่านฤาษีท่านทำไมาท่านรับคำของข้าพเจ้าแล้วว่าจะไม่บอกความลับให้แกใครแต่ทำไมท่านจึงเปิดเผยความลับของข้าพเจ้าให้แกหนักให้แกคุดละ่ะ หือสีก็เอา้าเราไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดยังไงท่านปูดนี่นาคจับข้าพเจ้าเดียวนี้้คุดคุดจับข้าพเจ้าเดียวนี้เองนะขึ้นมาเนี่ยตือสีก็จนปัญญาเท่เเพราะว่าพญานาคบีบคั้นเข้าไปพญานาคก็บอกว่าท่านเสียคําสัตว์ที่ท่านให้คําสัตว์กับข้าพเจ้าว่าจะไม่เปิดความลับให้แกใคร แต่ท่านเปิดความลับให้แก่ครุดฟังด้วยสัจจะวาจาด้วยสัจจะคือความจริงจังจริงใจเนี่ยท่านไม่รักษาคําสัตย์ขอให้ศรีรษะของท่านแตกเป็นเจดภาคเดี๋ยวนี้พอตั้งจิตในที่ฐานพอพูดจบนะนะศรีรษะของพู้ลือีก็เลยแตกปั้งเหมือนกับแตงโมแตกอย่างนั้นแหะแจกเป็นเจดภาคเลยลือศีนั้นก็ตายพอตายเสร็จแล้วก็ทั้ง พุทธทงหน้าก็เลยบอกอต่อไปนีเ่เราจะเป็นมิตรกันเป็นเพื่อนกันะจะไม่เบียดเบียนกันจากนั้นก็เลรต่างคนก็ต่างอยู่สรุปแล้วก็คือลือีนะมาชาติสุดท้ายว่าเป็นเทวทัตแต่พญาคุสนเป็นพระพุธทธเจ้า แต่พญานาคนั้นก็ว่าเป็นภาษาลิบุตรเดือรหลายนี่แหละสรุปแล้วก็คือเป็นตระกูลคนที่กลุ่มเดียวกันจะไม่ฆ่ากันนะเห็นกันแหละถึงยังไงเป็นอริจตรูขนาดไหนก็ไม่ฆ่าฆ่ากันไม่ลงนะแต่ว่าถ้าว่าเป็นคู่อริจตูกันแล้วนะ่ะนิดๆหน่อยๆมีแต่จะฆ่ากันลูกเดียวเนะพราะมีการจองเวรกันนี่แหละท่านสรุปว่านิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่าถึงจะมีความลับยังไงห้ามเปิดเผยถ้าว่าเขาผู้รู้ความลับของเราคนนั้นเขาเรากลัวเขายิ่งกว่ากลัวอะไรอีกเพราะเขารู้ความลับของเราอันนี้นิทานเรื่องนี้นะนิทานเรื่องนี้แต่ว่าในในทิศทั้งหก ท่านบอกว่าถ้ามีมิตรมีสหายให้เปิดเผยความลับให้แกเพื่อนฟังได้อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ว่านิทานเรื่องพญาคุฑกับมโมโหสดห้ามเปิดเผยความลับอันนี้มันเป็นตำรับตำราเมือนกันนะในหลักของพุทธศาสนาที่พูดให้ฟังนะั่คือพญานาคมีไหมสรุปแล้วก็คือพญานาคมีไหม ในหลักของพุทธศาสนาท่านไม่ปฏิเสธเรื่องพญานาคแต่บ้างไฟพญานาคนีมีไหมอันนี้จะเป็นบั่งไฟพญานาคหรือเป็นอะไรเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้แต่มันเกิดขึ้นมาจากลำลำน้ำําโขงแต่จะให้คนทําไม่ใช่แน่ๆมันจะเป็นไปยังไงพอน้ําโขงมันไหลเชี่ยวยิ่งกว่าอะไรแต่คนที่ไม่ไม่เชื่อนะก็ไปเห็นพอเห็นแล้วก็พูดไม่ออก เพราะนั้นคนจะมาดูเป็นดูเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนหลั่งไหลขึ้นมามาดูบั่งไฟแต่ก่อนมีไหมเขาก็เคยพูดให้หลวงพ่อฟังว่ามีแต่ก่อนมีอยู่แต่เขาว่าบั่งไฟผีก็เลยไม่มีอยไปพูดนะใน บ, บั่งไฟผีนะอย่าไปพูดเปลว่าเป็นอาเพศอาถรรพ์ไม่ให้พูดต่อเห็นแล้วก็แล้วไปไม่ให้ทวง ติงเสียงดังอีกต่างหากหกลัวผีจะฆ่าอย่างนั้นแหะแต่ทุกวันนี้มันมันคนมันเยอะแล้วก็สื่อต่างๆอีกต่างหากเพราะฉะนั้นเขาจึงถ่ายรูปอะไรๆตัวมีอะไรหลวงพ่อได้ยินแล้วก็หลวงพ่ออานนี้เป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่เราจะไปพูดว่าเป็นบั่งไฟพญานาคทีเดียวไหมหรือว่าเป็นอะไรคนทั้งหลายเขาก็ไม่ไม่มั่นใจ เขาทิ้งไปหาพญานาคและกระจบนะเพราะมันขึ้นมาจากน้ำนะนี่แหละแต่ถึงยังไงก็มันก็เป็นธรรมาชาติอันหนึ่งเท่านั้นเองนะแต่บางคนหลวงพ่อก็เลยบอกว่าอือถ้าว่าใครไม่รู้ใครไม่เห็นอยากจะเห็นเออไปดูสักไปดูพ่อไม่ไม่เคยเห็นไปดูสักแต่ถ้าไม่มั่นใจเออเราไปเห็นข่าวทีแล้วมันจริงหรือเปล่าวะไปดูอีกรอบสอง ไปสังเกตอีกรอบสองถ้าเห็นอีกอย่างเก่าก็ขึ้นอีกอย่างเก่าอันนี้ก็แปลว่าพอละถ้าใครเป็นไปรอบที่สามในหลวงพอ่อบ้าทั้งตัวไม่รู้จะไปเพื่ออะไรไปดูอะไรอีกก็เห็นแล้วเนี่ยฮะยังไปดูอีกอเป็นเสียจะไปอย่างอื่นนะไปดูคู่ดูคนอีกอย่างอื่นก็ยังค่อยว่ากันแทนจะไปดูวงังไพรพญานาคเนี่ยไปดูอะไรมากมายนักหนาสองครั้งก็น่าจะเพียงพอนะ แต่ก็หลายคนนะหลายคนมาพูดในหลวงพ่อฟังที่เขาเห็นเขาก็บอกว่าจริงๆเห็นจริงๆพระสงฆ์แล้วก็พูดแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้สงสัยเพราะไม่มีในเมื่อหลายคนพูดอย่างนั้นตัวเองจะปฏิเสธว่าไม่มีได้ยังไงแต่ว่าที่มันเป็นขึ้นมาได้นะเพราะอะไรนะแต่ว่าพญานาคมีไหมก็บหลวงจังที่หลวงพ่อได้พูดในหลักของพุทธศาสนาก็มีเื่องพญานาค แต่จะเป็นเท็จจริงยังไงอันนั้นก็พวกเราก็สุดแสนที่จะเดากันยากนะนี่แหละเรื่องสลับความสลับซับซ้อนในโลกนะมันมีมากมันมีมากหลากหลายแต่ขนาดเพียงสัตติรฉานอย่างเดียวกัพวกเราก็ยังดูสิความสวยและความเป็นอยู่ของของสัตติรฉาน ของสัตว์ที่ฉันแต่และประเภทการเป็นอยู่ก็แตกต่างกันมาเป็นมนุษย์มนุษย์การของมนุษย์มันก็แปลกแตกต่างกันอีกแต่พวกเราเห็นช้างนะมันกินใบไม้มันกินของจับหยาบพวกเราโอ้โหมันกินได้ยังไงพอจากนั้นเราไปเห็นหมูเห็นหมาเห็นเสือมันกินสัตว์ที่ฉันกัดกินเต็มปากสีแดง ว่ราไปหมดโอ้โหมันกินได้ไงสกปรกลวเกินไอันนี้ก็คือเราเห็นเราเห็นสัตว์ที่ไรมันกินกันแต่ว่าพวกเรากินอาหารกินปูกินปลากินไก่กินเป็ดอะไรเราก็ต้มให้สุกซะก่อนแต่วพวกเทวดาเห็นพวกเรากินเนี่ยเทวดาก็เห็นโอ้โหําำไมมนุษย์จึงกินหยาบขนาดนี้ น่าทุเล็ทุลังน่าเกลียดจริงๆไงเทวดาเห็นมนุษย์ก็เหมือนกับเราเห็นสัตว์ที่ฉันกินอาหารอย่างนั้นอ่ะเทวดาเห็นพวกเรากินเนี่ยพวกเราหออร่อยมากแต่เทวดาเห็นนี่ยขยะขแข็แงพอเห็นพวกเรากินอาหารแต่ทีนี้พวกเทวดาพวกพรมพรมเห็นเทวดาสวยสวยสวยแล้วว่าสวยความสุข ในการสัมผัสนึกคิดแต่พวกพรหมเห็นวโอ้เทวดาได้ยากมากพวกพรหมเนึ่งมีปีติกับสุขเท่านั้นเองเอกขตาคือความวางเฉยเป็นอาหารของพรหมอาหารเทวดาก็ยังหยาบหยาบกว่านั่นแหละมันเป็นขั้นตอนอย่างนั้นแหะการเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกแต่พวกเราเห็นชัดเาน แต่นานาชนิดพวกเราก็คงว่ามันหยาบเนะทวดาเห็นพวกเราเทวดากว่ามนุษย์เนี่หยาบกินของสกรปรกเป็นอยู่อย่างสกรปรกนะแต่พวกเราเนี่พอ อ, อกพอใจมีความสุขนี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่การเจ๋ ว, วิธวการของชีพสําหรับพวกสปรปสัตทั้งหลายที่ ว, ว่าไตรโลกธาต ไตรเปรยว่าสามการเป็นอยู่ของสรรพสัตว์ทั้งหลายมันแตกแตกต่างกันนี่แหละนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายที่มาเกิดมาในภพนิจชาตินี้ถึงเกิดมาเป็นมนุษย์การเป็นอยู่ก็ยังแตกแตกต่างกันบางทีก็คนพิกงพิการบางทีก็คนจนคนรวยบางทีก็ คนมีสติปัญญาดีบางที่คนมีปัญญาทึบไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นการเป็นอยู่ของมนุษย์ก็แปกแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเทวดาก็แปกแตกต่างกันมนุษย์สัตว์ในโลกนี่แปกแตกต่างกันย่ว่าเทวภู ม, มิลุกขาเทวดาพยาคุถพญาหนากักจากนันก็อินพรมนี่แหละแต่ว่าถึงยังไง สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะถึงจะเป็นพรมก็เถอะเวลาหมดอเิสงบดหมดบุญนะขึ้นไปเป็นเป็นถือสีบําเพ็ญบําเพนภาวนาเนะี่ยโดยผักพวกบําเพญภาวนาเนะี่ยจะขึ้นไปเป็นพรมนะถ้าหมดอเิสง์พรมพอลงมาเนี่ยนะมาเกิดเป็นหมูก็มีนะ เป็นสัตว์ที่รานก็มีทั้งที่มาจากพรหมมาจากพรหมโลกนะในตำลับตำราก็มีนะเพราะว่นั้นผู้ที่ยังไม่ได้เป็นพัสดูดาบันยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลพร้อมที่จะตกต่ำได้ทั้งนั้นคือเวียนไหยตายเกิดในวัฏฏะสงสารสูงสู ง, สงต่ำตำ่ลุ่มลุ่มร้อนรอ น, นแต่ถ้าว่าเราภาวนา บําเพ็ญแล้วได้เป็นพระอริยะบุคคลคือพระโสดาบันเท่านั้นแหละอันนี้เป็ว่าเกาะบันไดขั้นที่หนึ่งต่อไปไม่หลุดนะเ่เกาะบันไดขั้นนีหนึ่งต่อไปก็เป็นพระจักรทหามีต่อไปก็เป็นพร ะ, ะอนาคามีต่อไปก็ขึ้นเป็นพระอรหันต์แล้วเข้าสู่นิพพานจบไม่มาเวียนไหวตายเกิดแต่ถ้าว่าเรายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันเนี่ยยังเป็นปุตชนอยู่เนี่ย พระพุทธเจ้าไม่รับรองอว่าไม่รับรองว่าวิญญาณดวงนั้นใจดวงนั้นจะไม่ตกต่ําพร้อมที่จะไปได้ทุกหัวละแหง่งพร้อมพร้อมที่จะไปได้ทุกอย่างาสูงก็ได้ต่ําก็ได้แต่ถ้าว่าเป็นพระโสดาบันพระอริยะบุคคลขั้นต้นพระโสดาบันมีอยู่3ามเกศเกศเอเกศบีเกศสีเกศเอเนี่ยเกิดชาติเดียวก็ได้ตัด ได้บรรลุมรรคผลในผ่านถ้าเกตบีเกิดสชาติถ้าเ ก, B, เกาตถ้าเกตชีเกิดเกตซีเกิด C, เจชาติแต่พระสุวรบาลไม่เกินเจชาติจะได้สําเร็จเป็นพระอระหันต์แต่พระสักาคาามีเกิดชาติเดียวพระนาคามีเกิดในเมืองมนุษย์พอตายไปแล้วไปอยู่ชั้นสุดถวาดหชั้น อวหาอัตปาสูทศสาสูทเสียกนิฐานไปสู่ชั้นสุทวารห้าชั้นจากนั้นก็เข้าสู่นิพพานไม่มาเหยียบโลกอีกอไม่กลับมาเหยียบโลกอีกือพระอนาคามีแต่พระสกทาคามีมาเหยียบครั้งหนึ่งแล้วก็เข้าสู่นิพพานถ้าพระโสดาบันเนี่ยเกรด A นี่ครั้งเดียวเกิดเพียงครั้งเดียวก็เข้าสู่นิพพานนี่แหละท่านบอกไว้ในพระไตรปิฎก แต่ถึงยังไงพวกเราท่านทั้งหลายคขว่านิพพานคํำนี้พวกเราต้องศึกษานอกเหนือจากสมมุติทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกว่านิพพานังปรามังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่แหละทาว่าเราได้ปฏิบัติรู้ แจ้งเห็นจริงแล้วไม่ต้องถามใครแต่ถ้าว่าเรายังไม่ถึงปฏิบัติยังไม่ถึงเราก็สงสัยสงสัยในเรื่องทั้งหลายทั้งปวงแต่ว่าถึงยังไงก็เถอะนะถึงจะสงสัย เ, เราก็เชื่อในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนจากนั้นก็ลงลงมาลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละกุญแจดอกแรกที่พวกเราจะเปิดเข้าสู่มรรสู่ผลใ น, นเมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งจิตใจของเราเป็นหนึ่งใ น, นเมื่อเป็นหนึ่งแล้วนะจากนั้นเราจะรู้ได้ด้วยตนเองกายกับใจใจกับกายจากนั้นเราก็พิจารณาเอาใจตรงนี้แหละทิศใจที่เป็นหนึ่งนะมาพิจารณากาย อย่างที่พวกเราได้สวดอายัางข้อเมกายอยู่กายของเรานี่แลเนะี่ยของเราคืออะไรกับกายของเราก็คือใจนะั่นะเอาใจมาพิจารณากายกายของเรานี่แลเนะี่ยกายของใจนะี่มันมีอยู่สองนะกายกับใจกายของเรานี่แลนะอุททางปาตตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโทเกสามัตตาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป แต่จะปริยนันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนะเอออันนี้ก็คือเอาใจพิจารณากายร่างกายของเรานะมีหนังเป็นที่สุดรอบนะและก็จากนั้นปูโรนันปากาและสะอสุจินโนนะเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆก็จากนั้นก็บรรยายเข้าไปเลยนี้มีตับมีปอดมีลำไส้มีอาหารใหม่มีอาหารเก่าในร่างกายของเราเนี่หละ่ะร่างกายของเรามีเป็นอย่างนี้ ให้ใจของเราอย่าหลงอย่าไปคิดว่าร่างกายนี่จะอยู่โช่ฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่แตกไม่สลายไม่ใช่นะอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายนี้จะต้องถึงจุดจบของมันเพราะนั่นอย่าหลงใจอย่าหลงนะนี่แหละอันนี้เมื่อเราพิจารณากายเห็นกายอย่างนี้แล้วใจของเราจะไม่หลงไม่หลงกายไม่หลงกายแล้วก็มาพิจารณาใจท่าน ขนาดร่างกายของตัวเองยังไม่ใช่ของเรานะใจนะอีกสักอีกสักวันหนึ่งเขาก็จะไปเผาไฟทิ้งอยู่ทรายนั้นเรื่องภายนอกยศถาบรรดาศักดิ์เงินคําทรัพย์สมบัติเลือกสวนไร่นาดญาติพี่น้องเพื่อนฝูงโชคเสิ่งทชคอย่างอยู่ในโลกนะขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวของเราสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวของเราได้ยังไง ใช่ไหมใจในนะีใจจะรู้ได้ใจจะไม่หลงนะใจจะรู้เท่ารู้ทันจากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจใจไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหะจะเข้าแดนแห่งความพ้นทุกขนะ์แล้วทีเพราะ จ, จิตใจใจของเรารู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบือ่อหน่ายคลายจิตใจก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนะวันนี้หลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับ พญานาคประวันนี้เป็นวันออกพรรษาเพราะมีคู่คนเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มาถามไถ่แล้วก็เห็นหลายคนมาดูขึ้นมาชมบังไฟพญานาคหลวงพ่อเขาพูดให้คณะจัทธาญาิโยมเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแนวการศึกษาวันละของพระพุทธศาสนาเนะี่ยมีไหมพญานาคมีนะจัาาตตารายมเอาตอนนี้ไปนั่งสมาธิ น, ะนั่นีจากโจละยะยังค่อย แยกย้ายกัน